อั น, นกระดกจะนั่งนั่งภาวนากันนะนั่งอะไรเงยการนั่งเพราะว่านั่งเพราะว่ามันปวดมันเจ็บแ๋ยวก็นั่งไปหน่อยแล้วเขาจะบอกอะไรบอกว่ากิเลสมันจะบอกว่าอย่าไปนั่งเลยนะนั่งนานไม่ดีหรอกอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานไม่ทันแต่ที่จริงมันไม่เห็นว่าเลยนะแต่ใจตัวเองนั่นแหละคิดเองทำเองตัวปรุงตัวแต่งก็คือใจอตัวสังขารคือตัวทุกอดูให้ดีด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 เดี๋ยวคิดถึงคนนู้นเดี๋ยวคิดถึงคน et, งนี้เดี๋ยวคนนี้จะว่าอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้จะว่างั้นแต่จริงๆตัวเองคิดเองแต่จริงเขาจะว่าไม่ว่าไม่รู้อีกบางคนรวยจะไม่รู้จะรวยยังไงหาว่าตัวเองทุกข์อีกทุกอะไรทุกใจหาตัวทุกข์ใช่ไหมมันไม่มีมันทุกข์อยู่ที่ใจตัวเองนั่นแหละดูดีหาตัวทุกข์หาได้แต่หาตัวสุขมันหายากดูให้มันดีๆเพราะว่า <c oughs> ตัวสุขอะ ตัวทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนก่อนจะสุขดูให้ดีว่าอาจารย์าเล่าให้ฟังได้เนี่ยทุกข์มาไม่รู้ทุกข์ทางไหนนะทุกข์ทุกข์ถนัดเลยออทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนแต่เวลาสุขสุขไม่มีอะไรเหมือนกันสุขได้ดีจริงๆเลยสุขที่ไหนสุขที่ใจทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเอมันทำไมถึงทุกข์อยากจะเห็นนั่นก็อยากล่ำอยากรวยอยากอะไรไอความอยากมันตัดไม่ได้กับคนเรา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 ไอ้เขาว่าเอาไปปฏิบัติทำเกตวันสี่ห้าวันไปทําไมอ๋อไปดูกันไปคุยกันได้ไหมได้ได้อะไรได้คุยกันไม่อยู่แค่เนี้ยเอาให้มันแน่นี่ว่าอยู่ที่บ้านเราทําได้ไหมมันไม่มีเพื่อนไงไม่มีคนจะคุยด้วยไงอยู่ที่บ้านก็ทําได้ขอให้มันติดต่อแต่ละวันอย่าให้มันขาดขาดคือตอกวันละห้านาทีสิบนาทีทําไปเถอะสุกอยู่ทนสุกอยู่ที่ใจทําอยู่ที่ทําอยู่ที่ใจเรา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 ทำให้วุ่นวายหมดทั้งบ้านแตคนคนเดียวให้ทำขึ้นได้ถ้าเข้าใจกันนะ้วสุขสุขทั้งบ้านเลยถ้าไม่เข้าใจกันนะโอ้โหอย่าพูดเลยอาธมาว่ามันหนักแต่คนจะขึ้นก่อนก็คือแม่แหละพ่อจะไม่เท่าไหร่แล้วรีบไปเลยแล้วยินเสียงพูดเพราะรีบไปเพราะอะไรวะเดี๋ย้โดนหางต้องรีบไปแหละ นั่นลหละคนที่ทำให้วุ่นวายในครอบครัวก็ตัวนั้นแหละคนที่ทำไม่เป็นบุญก็แม่บ้านไงพอ่อพ่อบ้านนี่รู้สึกว่าจะยากอยู่นานๆจะทำเหล้าจากจกินกินเหล้ามาไอสินห้าอย่าไปถือด้วยตัวอื่นถือเหล้าตัวเดียวเท่านั้นพอลงมาตรงนี้หมดข้าพ่อแม่ก็ได้ขอให้ได้กินทำอะไรก็ได้เมียเ้าก็ทำได้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 ลัดให้ฟังเลยมันจะเข้าไปอยู่ที่ใจตอนนี้ดูที่ใจดูที่ใจให้แน่ไม่ประท้วงซี้ดูที่ใจต้นสุดท้ายจะรากเนี่ยถอนรถลากแก้วก็อยู่ตรงเนี้ยถอนมันเลยถอนตรงเนี้ยตอนนี้ต้นมันจะไม่เกิดยังไงไปตัดจริงตัดงามมันมันก็ไม่เกิดเม็ดมันก็ไม่เกิดแล้วถ้าไปถอนตรงใดๆคือเอาทั้งรากแก้วเลยถ้ามันเหลืออยู่มันจะไปตัดออกปุ๊บมันก็โปง่งใหม่ต้นไม้ ถ้าไปเอาตรงรากแก้วมันทีเดียวนี่นะเอาใจใดูตรงใจอ่ดูใจดูมันให้ดีๆไล่ออกทเทเลนนิดเทเหน่อยไม่ละเอียดยิ่งกว่าอะไรอีกตัวที่สุดท้ายเนี่ยละเอียดมากเลยตัวเนี่ยไม่รู้ไอไออตัวนี้ผ่านตัวอะไรมันมันละเอียดมากเลยมันจะเข้าไปดูดูที่ไหนดูที่ใจดูให้มันดีๆแยกแยะออกดูให้ได้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 ดีอยู่ที่ไหนดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ไหนดีอยู่ที่ทำทำนี่เอาให้ได้อยากจะให้เห็นเหมือนกันจะไม่ต้องถามกันไม่ต้องมาเรียกกันไม่ไม่ต้องไปรีโม์มาพูดเนี่ยเห็นเหมือนกันดีที่สุดออืแต่เดี๋ยวนี้นะอาตมานี่เห็นเห็นอะไรไใบชายคิดยังไงอาตมาก็ยั ง, ย, ง, ย, งยังรู้อะไรบางทีเพราะว่าจัตนมันมีแล้วทุกอย่างรู้เขา้ารู้เรารู้ถึงขนาดนั้นแหละอย่าไปคิดว่าไม่รู้รู้ทางนั้นแหละ ใจจะพูดหรือไม่พูดถ้าพูดไปเดี๋ยวข้ า, าว่าโกหกไอ้บ้านพูดเล่นอี่แล้วแต่ที่จริงมันไม่ของเล่นรู้ก็ทั้งนคนจะไปวัดมีคนมาแน่นอนไอ้นี่คือมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันรวมกันแล้วเป็นหนึ่งและกิจใจดูมันให้แน่เวลาสุดท้ายนี่คือดูว่าดินน้ำลมไฟให้ดีนี่คือรัดเอาเลยนะไม่จงไปไอ้นี่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 บางคนนะ่ะยิ่งกว่าพระดีกว่าพระอีกนะแต่บอกให้รู้นพระยังไม่ได้เลยแต่สมาธนี่ดีเสียอยู่อย่างนี่คือว่าไม่ได้หนังสือถ้าได้หนังสือหน่อยอ่านหนังสือฟังเขาจะดีอพอจะได้หน่อยอันนี้ไม่ได้สักตัวหนึ่งเขียนด่าแม่ก็ไม่รู้เออเอาเถอะแต่พูดให้ฟังได้แต่รู้รู้อะไรรู้ที่ใจเห็นที่ตาตัวเองปฏิบัติจนรู้แต่เมื่อก่อนอยู่กับหลวงปู่เขาไม่ธรรมดา หลวงปู่ขายนี่หยันจริงๆอันนี้ย้อนกลับไปหารูวงปู่ขาอีกเที่ยวนึงเพราะว่าทางเดินตดโกมนี่สามเลยอาตมาเป็นคนคนที่กวัดที่ทางเดินตะโกนอ่า น, นี่เช่นหนึ่งตอนเชา้าเช่นเที่ยงเช่นตอนเย็นขี่ดูเลยอาตมาบน่นกวาดมากๆมันกรยาวไปนั่งฟังกวาดแล้วก็ไปนั่งฟังไปแอบฟังแค่ก็บน่นเออพระองค์นี้บ้าแล้วเมื่ออาตมาว่า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 อย่าเพิ่งไปคิดว่าเออจะหนีจากโลกเลยโลกอยู่มันต่อไปฮะ ห, ห่วงมันไปฮะเออถ้าหนีจากโลกแล้วเราก็อดลําบากเราต้องทํางานหาเงินอยู่คิดดูดีๆเอาแต่บุญอย่างเดียวก็พอแล้วทําไปค่ะบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจบุญะทํามันเข้าไปเถอะทําตัวเองได้ถึงจะจําได้ไม่ได้ทําบัตรหนึ่งสลึงหนึงได้ถ้างั้นแหละไอ้นี้จะช่วยได้ไอ้ดูดีลูกแม่แม่หนึ่งอย่างเนี้ย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 มาเป็นโหทุกอย่างทำได้หมดถ้ามีเงินไอ้นี่แน่นอนแต่เสร็จแล้วถ้าคนรู้จักทานะรู้จักเก็ดรู้จักทำบุญนะเอาไว้หน่อยเอาบุญไว้ก็ย่างหนึ่งบุญนี่แน่นอนคือไปตามตัวเองได้ถ้าถ้าอย่างไรก็ไม่มีผิดที่ผิดไม่มีเกิดมากี่ชาติแเกิดก็ขอให้มือชาตินี้ขอให้แท่นี้ชาติหน้าให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ใจะจะให้มันเป็นเด้วว่า ไม่เกิดคงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆถ้าปฏิบัติรอำลอุล่มเราตายได้มังพาบังโอ ม, มปฏิบัติเข้าจริงๆก็ตายเห็นไหมเมื่อก่อนไม่มีวันไม่มียาอเป็นไข้มาเรียตายถึงเวลาก็สั่นสันแล้วก็นอนออนอนก็ตายมังโอมตายแล้วเผากันอยู่ตรงนั้นแหละที่ดูกันเลยกันสู้กันถึงขนาดนั้นเมื่อก่อนยาไม่มียาไข้มาเรียก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีข้าวเนี่ยไปบินทบาท จากทากองเพลินไปหาโมบ้านนี่ยเ็ดกิโลไปกลับสิบสี่เขาก็ยังสู้กันได้ทุกวันนี้อยู่ติดกระวัดเลยเห็นไหมเออเยอะแยะไปกับขา้าวแต่ก่อนน่ะผ้านะ่ะผ้ากีบอนอัตมาเนี่ยไม่มีไม่มีรู ป, ปูอะไรหามาจากไหนเขาเรียกว่าเย็บต่อให้เป็นผ้ากีบอนเป็นเนนอยู่ตรงนั้นแหละอพื้นเดียวก็ใส่อยู่กันเมื่อก่อนเนี่ยอะไรก็ไม่มีสบู่ก็ไปหาลูกน้ำแท่งามาลูกเป็นหนามลูกน้ำหนามนะ่ะมาทบ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 ผ้าของธรรมยุตนะยิ่งยอมยิ่งสักบ่อยยอมบ่อยมันก็ยิ่งสวยนะพื้นใหม่ยังสู้ไม่ได้จะบอกให้รู้ว่าเออไม่เหมือนไ อ, อ้ทางบ้านเรากัแบบว่ า, าถึงเวลาปุ๊บทุรพันธ์พันธ์เาก็มาม า, มาใส่เล้กก็ไม่ใช่สักแล้วนะพอดําปุ๊บกพโยนทิ้งเลยก็เอาใหม่เห็นไหมนั่นแหละตัวบาปตัวบุญอยู่ไหไม่ออกนี่แหละตัวบุญ ตัวบาปค น, น, น, น, น, นอยู่เรล่นหัวเราหล่นอยู่จิตวัดนะบาปแน่นอนบาปเพราะอะไรตื่นเช้ามาผู้ออกบิณฑบาตแต่ไม่ได้พูดว่าบางวัดทุกวัดน่ะไม่ได้ว่าเป็นบางคนนะบางคน ด, ดีปฏิบัติได้ดีเอาบุญเอากุศลให้ไม่ออกแผ่เมตตาทําวัดทํำวายเขาหน่อยเออเขาทําบุญไปกระส่งอันนี้ส่งให้เขาหน่อยแล้วตัวเองได้ไม่ไม่ได้อืมบางคนนะ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 เอาดูให้ดีๆบางคนเอะมึงทํางานดีๆเอาเป็นเดือนมึงสูง้สูงรวยไหมรวยทั้งชาติก็ไม่รวยมึงทำเข้าไปเถอะสู้คนทํางานเดือนเงินน้อยไม่มีบางทีอะดูให้มันดีว่าสานาะเขาเขาเกิดมาเขาเกิดมาเขาทาบุญไอ้บุญตัวนี้ช่วยได้แน่นอนไม่มีผิดเอาให้ดีดีอยู่ไหนดีอยู่ที่ใจเวลาหิวข้าวอย่าไปห่วงมากเลยห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ไปห่วงอะไรนังหนา พอเอาเลี้ยงคนให้เป็นคนก็พอแล้วอ่อย่าไปคิดว่าตัวเล็กอยู่นี่อย่าไปเลิกนะต้องเลี้ยงเข้าไปให้มเป็นคนหน่อยเป็นคนพอแล้วให้นังสือให้การเล่าเรียนน้องเรียนมันดีๆถ้ามีการเล่าเรียนไปแล้วทุกอย่างมันหาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไปเอาอะไรให้นะ่ะมันหมดแต่ความรู้นี่ไม่หมดเขาทำงานได้ต่อไปเอาเฮอะอย่างนี้ตัวนี้แน่นอนไม่ทุกอย่าไปห่วงเขา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 ทุกคือทุกสุขคือสุขสุขหาจากไหนตัวเองหายเองอทุกคือใครหายเราหายเองอยู่ดีเครือสมานี้รู้แต่แค่นี้แหละรู้แต่แค่ทุกแค่สุขนี่แหละมันสุขเพราะอะไรมันทุกเพราะอะไระตัวตายคืออะไรตัวเกิดคืออะไรให้มันรู้รู้ตรงนี้แล้วไม่มีอะไรรู้อีกแล้ว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 คือน้ำเหือน้ำไครน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยเอา้านี่แหละมันออกไปพิจารณามาให้ได้แล้วแยกมันออกไปอีกแยกมันออกไปให้ได้เพราะตนี้ละมันละที่ไหนละที่ใจอละความอุไฟละ่ะตานี้เป็นไฟไฟมันเกิดจากอะไรในสังขารเราเนี่ยคว า, ามอบุ่นในใร่างไข่ความอุ่นในสังขารถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ไม่ได้มันขาดขาดก็คือตายเนีก็ต้องับมันนีก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 ใ้นี่แหละสว่างกว่าไอ้ไฟไฟ้าอย่งี้อีกเอาให้ได้เอาให้เห็นเอาความฉลางให้ได้ละที่ไหนละที่ใจปล่อยคนฉลางออกมาเลยเมนะ่เจอแนะ่ถ้าพูดถึงปล่อยมันจริงๆงละแนะ่ละที่ไหนละที่ใจทุกอย่างอย่าไปห่วงมันเลยโทรศัโมหะดินน้ำโลไฟอะไรต่ออะไรพิจารณามันให้ดีอ่า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 ไอ้นี่เราจะได้พภาวนจะได้ไ อ, <c oughs> อ้นนี้ก็เอาเอาตัวนี้แหละต่อไปพขพูดถึงนั่งจริงๆมันจะล้มของมันเองตั้งได้ลม้มได้พอมันลม้มปุ๊บตอนนี้อมันจะได้ตอนนี้กิจจะจูนตัวไม่มีแล้วมันจะขึ้นมาเลยตัวใจเหลือตัวเดียวภาวนาดูให้ดีอย่าไปหลงมันอย่าไปหลงกิจใจ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 คนที่เกิดไวยก็คือรถชนเนี่ยพวกตายพวกนี้แน่นอนเขายังไม่ถึงกำหนดเขาจะตายไอ้นี่เกิดไวยเอาให้รู้เขายังไม่ถึงกำหนดของเขาไอ้นี่เกิดวัยจริงๆจะเกิดอยู่ไหนไอ้นี่มันอีกเรื่องหนึ่งต้องดูให้ดีๆแต่คนที่ข่าตัวเองตายนี่ไม่ต้องเกิดละพอนันรกอยู่ไหนนั้นรกอยู่ที่ใจตัวเอง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 จะทำอะไรก็แล้วแต่ฟังที่เราใจอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เราไปเชื่อคนอื่นเชื่อไม่ได้หรอกเชื่อตัวเองแน่นอนคือให้มีทำหน่อยถ้ามีทำทำงานไม่มีผิดน้อยให้มีสตินิดนึงอย่าให้มันทุกข์ทุกข์ใจกันละตัวเองได้เอาทุกข์ไปทำไมคิดไปเอาฟัมทุกข์มาใส่ตัวเองทุกข์ไปทาไมทุกข์แล้วไม่ได้อะไรไหม ไม่ได้คิดดูให้ดีๆจะไปทุกขันทําไมละ่ะมันมีทางแก้ของมันอยู่ไอ้เรื่องผัวนี่กระช่างมันไอ้เรื่องเมอยกระช่างมันเพราะอะไรใครจะเป็นยังไงกันแล้วแต่โตแล้วค่อยมาหากันไอ้ลูกนี่เอาให้แน่พระพุทธเจ้าคือใครคือพ่อกับแม่เราะจะหาขอให้กินเอาหาให้กินเลยเวลายังอยู่ถ้าตายไปแล้วจะเอาอะไรให้ละ่ะมันมีทางกินได้ไหม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 ฝืนไปกระทุกใจตัวเองอย่าไปฝืนฝืนทำได้ฝืนปฏิบัติได้แต่ฝืนทำบุญนี่จีใจกำลังโมโหโมโหอย่าฝืนมันเถอะมันเอาแน่ถ้าปฏิบัตินี้ฝืนได้แล้วเอากระปวดขามึงไม่ตายกูตายนี่ฝืนกันได้แน่อันนี้ฝืนอย่าไปคิดโอ้โหปฏิบัติมาโอ้โหดวงดีบุญวาสนาดีไม่มีบุญไอ้พวกปฏิบัติเนี่ย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 ทุกอย่างมันได้แล้วนั่นนะดังไงมันก็มีถึงไม่มีใครไปให้ของทิปก็มีถึงเวลานั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้ไอ้พวกพวกนี้ยแต่เสร็จแล้วอยู่ไหนก็แล้วแต่คิดดูแล้วกันอยู่สูงขาดนหนเอายังขึ้นไปหาเลยฟันไม้ขึ้นไปหาเลยถังขึ้นไปหาเดินขึ้นไปหาพอเดินไปจะไม่ถึงปีแล้วถนนขึ้นไปแล้วเออถอยไม่ได้แล้ว ต้องถึงเพราะจิตใจมันตอบเพราะบุญนี่อย่าลืมนะว่ามันดึงจิตใจของคนจริงๆอดี๋ยวไปคิดว่าของเล่นในหะ้ของจริงเลยนะเออจิตใจของคนนี่อย่าไปคิดว่าไม่ถึงนะถึงเดี๋ยวนี้เหกรุงเทพนี่อยู่กับกรุงเทพไม่ไหมนู่นนะอยู่ต่างจังหวัดดนไท์อะไรไปกราบพระโอ้โหไปนนยังไม่พอนะไปแล้วเสร็จแล้วต้องรอบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะมีคนกั้นอีกอา้าวบ้าเป่าว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 เข้าไปได้เห็นเอาพูดกันคำสองข้อเออไม่ออกสงสัยจะเพักผ่อนชั่งหน่อยนะพูดกันรู้เรื่องคนพูดไอ้พักก็นคนไอ้ไม่ออกไปก็คนทําไมจะพูดกันไม่รู้เรื่องล่ะกว่าจะไปถึงเอาไม่ออกคิดดูเลยเอารถถ้ามันเป็นอะไรไปล่ะไปไกลๆองี้ห่วงเขาหน่อยเออเข้ามาเนี่ยเขาคงจะคิดถึงเราเขาสงสารเรามื่เข้ามาเอาเอออกไปหาเขาหน่อยออกไปหาเลยไอ้คนที่กั้น้ากั้นเลย เที่ยวหน้าไปก็อาจะมาไปหาเลยเพ่อะจะไปหาลูกปู่ไหนเอออาจารย์จะพาไปอยู่ไม่ได้ต้องออกเออไม่ออกไม่ได้ดี่อ่อาจารมาเอาแน่น่ะอเอะออกทุกอาจารย์ไปหาเวลาไหนออกทุกเวลาแต่ไปเจอท่านกับวัดไอ้นั่นแหละวัดเอกทำสหายโดนอาจารยโดน โดนจริงๆไปเราถึงบ่ายสี่โมงสี่โมงครึ่งก็จะขึ้นไปถึงห้าโมงไปเจอแม่ชีปุ<ม>๊รขึ้นไปไม่ได้ลูปปู่เขารูปปู่จะด่าน่ะอ้าวประลาดได้ไงว่าจะมาถึงบ้าวะ่ะมาอยู่แล้วแม่ชีสองคนอยู่ด้วย น, นะไปไม่ออกเคยไปเลยไปก็เจอแเลยแม่ชีสองคนอยู่นั่นนงรัดเลยข้างล่าง ะ, ะพอขึ้นไปปุ๊บไปเจอผายอีก พักผ่อนแล้วลูงปู่เข้าไม่ได้แล้วอาบน้ำสงน้ำไปแล้วเอ้าครูบาไปเรียกหรือลองไปถามดูที่ว่าจะมาไหมถ้าไม่มาก็บอกหน่อยเอออาจจมาก็บอกลองไปอันนี้เรื่องจริงน่ะพอไปปุ๊กลูงปู่เงี่ยมมาบอกบอกบอกลูกงเงี่ย ม, มานะเข้าไปถามหน่อยพระก็ไม่อยากเข้าไปขยันขย อ, อกลัวจังอะไรวะ กลัวกันจังเลยพอเข้าปุ๊บเอาอย่างนั้นเลยปุ๊อเอาอย่างงั้นไปบอกพอเข้าไปปุ๊บเขาครับเขานีา่ผมมานั่งเลยปุเข้ามานั่งแล้วปุ๊บเรื่องร้เอ้ยชื่อดัพอมานั่งปุ๊บมาไม่มีเวลาพระยังไงวะรู้จักเวลานะอะอ้าวเจอเลเอา่าจะหาเวลาไหนแล้วมันเพิ่งมาถึงอ่ะจะเอาอยัางไงละ่ะออ่าสมรสาดไปจะเอายังไงล่ะมันเพิ่งมาถึงเนี่ย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 ไอ้อพระ ค, คนนี้ก็ไม่ธรรมดาพันสาไม่ได้เกินกันถึงสิบหรอกเห็นใจกันหน่อยไอ้โยมเนี่ยหัวกว่าเขาจะไปถึงอาจจะมาคบทุกคนเลยเออใครจะไปเอามาอะไรไม่ออกมาเลยเอาใครกั้นไม่ได้นะถ้ากั้นแล้วเป็นเรื่องเลน่ะเออเอาจริงๆพอไปถึงปุ๊บอ้าได้เลยมันจะง่วงขนาดไหนจะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องเอาหน่อยว่าจะมาถึง อ, อืเห็นใจกันหน่อย เขามาจากไกลว่เขาจะได้กราบอจมาก็ไม่ไม่เทวดานะพูดอะเทวดามันยังด้อยกว่าเราห น, น่อยเทวดาจะกราบเราเทวดาเข้ามาหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพูดพูดไปนะเรื่องนี้แต่เวลาเขาจะมาเนี่ยเรารู้รู้ได้ไง รู้กลิ่นเขามาก่อนอไอ้ไอ้ไอ้ไอนี่เรื่องจริงน ะ, ะแต่ว่าไม่เห็นบ่อยหรอกนานๆจะเห็นทีแต่เขาจะมาเรารูรู้ที่ไหนรู้ที่กลิ่นเขามาก่อนอเสียงเขามาก่อนบางทีเสียงมันแว่วกเข้ามาในหูเนี่ยแต่จะใช่ไม่ใช่เรากไม่รู้เราเสียงมันมาก่อนกนลิ่นเนี่ยคือหอมไม่มีอะไรเหมือนเนี่ยนะอ่า ดูกิ่นเขากินเขาหอมจริงๆโอ้มาแล้วมาสักพักหนึ่งเป็นคนมาแล้วอเวลาเขาพูดกับเราเราเลยเอ่ยปากไม่เอ่ยอันนันจะเห็นทันทีไม่ได้เอ่ยอนนนหรอกพอกิดก็พูดกิดเขาคิดก็มาถึงเราเราก็คิดก็ถึงเขาก็สอนกันอยู่อย่าเงี้ยสองสามนาทีก็ไปแหละเขาก็ข อ, ขอสิ่งขอทําเป็นของธรรมดาแต่จะจริงไม่จริงก็ลองรูลง้ลองพูดให้ฟังดูกันและ อ่าอาจจะมาว่าของจริง่็บางทีอ่า ด, ดูเองแล้วกันแต่เอาให้ถึงถึงนี่มันถึงแน่อ่แต่ใจคุณจะถึงไหมเอาให้ถึงถ้าถึงแล้วทุกอย่างเห็นหมดไม่มีอะไรไม่เห็นรู้เขารู้เราด้วยมาเมอรู้จิตไม่ออกทุกคนด้วยถ้ามันถึงถ้าไม่ถึงมือจบเลยไม่ต้องรู้กันแหละอ่าไม่เอาด่า ย, ยังไม่รู้เลยแต่พูดอะไรมายังไม่รู้เลยแต่บางทีนะเดินมาเอานูนะ่นน่ะ ออกจากบ้านมานี้ยินเสียงบนแล้วหลวงปูป่ไปอย่างนู้อย่างนี้เอา้าไ้ยินอะไรอยู่ทางเนี้ยกลับมาปุ๊บถามแล้วอพอพูดแล้วอ้าวอาจเข้าใจเขาแล้วเอาเอาไปรู้ได้งไงไม่รู้ได้ยังไงลราเขาพูดมาแล้วอ่ะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วอแหละก็ลองคิดดูเดียกกันเพราะว่าอาจารมานี่คือคื อ, ค, อคือสอนได้แต่อ่านหนังสือไม่ได้ถ้าจะห้ามอย่างเดียวคืออย่าเขียนด่ากันแค่นั้นแหละ S <S อย่าง <S <S อือ่นจะได้ทําไงได้ลจะเกิดบางทีกรรมกรรมอะไรกรรมไม่ได้หนังสืออย่างอื่นไม่มีย อ, มอย่างอื่นถามได้ปฏิบัติยังไงอะไรยังไงมันทุกข์ไงโทรมามันทุกตรงไห น, ไหนอะไรมันทุกตายตรงไหนอะไรไม่ตายเ้าบอกถาได้ไม่ออกพอะออกค้างตรงไห น, นปฏิบัติไปติดตรงไห น, นเอาเลยอาตมาชอบฟังแล้วก็ชอบตอบด้วยนะอะแล้วก็ไม่มีผิดด้วย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 ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีผิดเลยนี่แหละบุญตัวนี้ที่ช่วยได้ยังอื่นช่วยไม่ได้ออยังอื่นเราไปได้ไหมสมบัติจะมากขนาดไหนเอาไปไม่ได้บุญตัวเดียวเท่านั้นเที่ยวไปได้อย่างอื่นไม่มีเอาไปได้ไปได้อะไรไปแต่ใจสังขารทิ้งไว้ตรงนี้แหละเมัื่ออยู่กันแล้ ว, ลวเมนูกันแล้วสังขารอย่าไปคิดว่าความสวยความงามมันจะเกิดขึ้นในตัวเอง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 เห็นที่ไหนเห็นที่ใจรู้ที่ไหนรู้ที่ใจทุกที่ไหนทุกที่ใจเวลานิพันธ์นิพันธ์ที่ไหนนิพันธที่ใจเอาทุกวันนี้ทุกขนาดนี้ต่อไปเอาเอาให้มันดีๆหน่อยให้มันสุขไปกว่นนี้อย่าไปคิดเลยลูกหลานอะไรต่ออะไรพอละไรละไปให้ตัวเป็นตัวของตัวเราอย่าเป็นตัวหูงสื่อเลยเดี๋ยวมันจะไปเป็นลูกเขาแล้วแม่เป็นลูกลูกเป็นแม่มันจะเกี่ยววนกันอยู่ มดไตขอบดงไงสังเกตดูไหมมันจะไม่ออกมันจะอยู่กันหมุนเวียนอยู่กันะเนี่ยเอาของจางเอาอะไรไปฝังไว้ดินก็ไปเฝ้างกิจมันอยู่อย่งนั้นมันก็ไปเฝ้าอยู่งั้นนะผีหลอกหลอกเขาว่าแต่สิงกิจในอะไรมันไปเฝ้าอยู่งั้นเฝ้าอะไรเฝ้าสมบัติของตัวเองไงคือมันห่วงไงไอความห่วงนี้กิจดิสติบอยู่ที่ไหนอยู่แน่นอนไม่มีไปกิจกระจายเมื่อตัวเดียวกันต่อไปมันถ้าพระสมฆ์ทำมาได้จริงมันจะเป็นหนึ่ง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 แต่น้อยคนที่จะพูดอย่างอาตมาน่ะอาตม า, ตมาพูดเอาเจ็ดตัวมันทางนั้นเลยน่ะไม่ว่าเอาหนังสือมาพูดนะไม่ได้อ่านอ่านไม่ได้เอาที่มันเห็นเนี่ยถ้าไม่เชื่อทําดูแป๊ะไม่ไม่ผิดเอาเลยถ้าพูดถึงเออถ้าพูดถึงเออมันติดมันขัดตรงนี้ไว้อาถามใครไม่เจอถามใครไม่ได้โทรอาตมามาเลยจะนั่งรถมาถามมาให้ถามเอเออเาอย่างนั้นเลยน่ะ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 ไอ้เรื่องแค้งเรื่องหานี่ยฉันจะเอาจริงไม่ต้องไปห่วงมันอา่ามึงไม่ตายกูตายซะจะเอาจริงๆไอันี้เราทําไม่ได้เพราะว่ามันยังมีโลกอยู่อ่าไอ้ท า, างโลกทางธรรมไปด้วยให้มันอย่างละครึ่งเนี่ยครึ่งๆกลางๆทำนี่ทําอยู่บ้านเราให้มันติดต่อกันอย่างไม่เลยต่ออ่าวันหนึ่งห้าสี่สิบนาทีทําไปเถอะมันจะสบายใจใครสบายใจตัวเองอให้มีสติทําอะไรให้มีสติรับรอง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 ไอ้ไอ้ไอพระประธานเนี่ยมันนั่งรูปักยังไม่เท่าไรเลยนั่งยังไม่นานเท่าไร่เห็นเดินกลับแล้วลูกปู่ผมไม่ไปแล้วผมไม่เลิกแล้วเมียผมจะกลับแล้วอ้าวทําไมล่ะเอา้าก็ผมคิดได้แล้วอ้าวไอ้คนมันเปลี่ยนได้ไวจังเนี่ยไอ้พูดเมื่อกี้นี่บอกว่าจะเลิกจะเลิกแล้วโมโหโจัดโมโหโมันเป็นบาปแล้วพอให้ไปหนั่งเอาไปนั่งดูหน้าพระประธานหน่อย ไปนั่งดูจะพักนะึงเอานั่งวิธีไหนลูกเอานั่งวิธีนี้เอาลองทําดูทำดูัะพักเอาคิดให้ดีๆนะเอาคิดถึงจะโมโหตัวเดียวนะเอามึงจะไปคิดอย่างอื่นนะเอาเลยมันโมโ oh หยังไงมันว่ า, างไงเอาลองคิดดูดิคิดไปคิดมามันก็สั่งไปส่างไปส่า ง, างมันมันสั่งอะไรสั่งเรล้าไงสามไปสาพัก็คิดได้แหละเห็นไหมนี่เพอาะเขาด่าหน่อยกินเหล้ามาเขาดา่าธรรมดาอยู่แล้วเอา้าโดมโหอีก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 เองั้นไปหาทิพยคนอื่นให้เขานี่ให้ลูกขาดโรงเรียนได้ไงล่ ะ, ะให้ก็เอาไปท่า น, นี่ยี่สิบสามสิบาทเอาไปให้เขาซ ะ, ะให้มันไปโรงเรียนจบแล้วบางคนเราไปทานทานไม่ได้จับตัวทานเอาหน้าไงอ่ามีกันอยู่ร้อยหนึ่งบางคนเรไปละไปทานทานที่ไหนไปทําบุญต่อเขาเห็นคนอื่นเขาบอกเป็นร้อยตัวเองก็น่าจะออกสิ บ, บาทนี่ร้อยหนึ่งเอาไว้ให้ลูกครอบครัวมั่ง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 กลัวโยมจะไปจับเงินจะของฟันเองซะเลยเห็นมไหมะทะเลาะกันชาวบ้านอีกอ้าวทะเลาะกันไปใครละผิดละ่ะเขาว่าเพยโยมผิดโยมบ้าดิพระนี่ยผิดอ่ะเอาไปทำไหมแล้วก็ต้องมีกรรมการมั่งให้เขาดูแลบางทีเออค่าใช้ใจ่ายอะไรเขาจะจดมาเขาจดหนังสือเป็นเราไม่เป็นรเรนะ า, รมารนะไม่รู้เรื่องหรอกนะอาจจะมาอย่างอาตมานะไม่รู้หรอกแต่ว่าคนอื่นเขาจดได้